บทที่ 9 ขอเทคนิคดีๆในการทําจิตให้เป็น มันเกิดความยินดีก็รู้ทันมันเกิดความยินร้ายก็รู้ทันจิตจะกลับมาเป็นกลางเองครับยินดีก็กรกฎาคม 2542